นี่คือรายการเปิดตมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพิยออร์ธมาดดอเรากลับมาพบกันอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งอาตมาพัชไบบูลอภิปุโนจากวัดป่าต้นไหนโศกครับสวัสดีครับกับผมธันตแพทย์นัทพงศ์กหนกวิรุณนะครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนตอที่ยี่สิบสองยี่สิบสองครับยี่สิบสองแล้วครับอ่าวันนี้อย่างที่เราได้พูดกันข่าวที่แล้วหมอธันทพงศ์เป็นนัท์ที่สําคัญมากเลย เรื่องอะไรนะครับท่านเออคือเรื่องของมารดาบิดาอ๋อครับพระ<อ>คุณของมามารนาบิดาใช่ไหมครับภาษาไทยเขาจะใช้คําว่าพ่อแม่ใช่ไหมครับถ้าเป็นพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่ามารดาบิดาที่อออเอาผู้หญิงขึ้นมาก่อนเอาบรรดาขึ้นมาก่อนเพราะฉนั้นจตมาก็จะพูดเหมือนกับพระพุทธเจ้านะว่าแม่พ่อแม่พ่ อ, พอหรือว่ามารดาบิดาอย่างนี้ครับอบุญคุณของมารดาบิดาเนี่ยที่เราเห็นเห็นอยู่ในพุทธวจนะเนี่ย ครับ <c oughs> ก็พระรูปเจ้าบอกว่ามันดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะมาก <c oughs> เป็นผู้ที่มีอุปการะมากหมายความว่าเป็นผู้ที่คือกายของเราเนี่ยพระรเจ้าบอกกายของเราเนี่ยมีมันดาบิดาเป็นแดนเกิดนะ <c oughs> มีมันดาบิดาเป็นแดนเกิดทีนี้เอก็แล้วก็บอกต่อว่าเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดการกิน <c oughs> แค่นี้ก่อนเอาที่เกี่ยวข้องกับมันดาบิดาเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวเราเกิดมาได้เนี่ยเพราะมันดาบิดา แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นพุทธวจนะอย่างอื่นที่บอกว่าอในสกุลใดเนี่ยถ้ามารดาบิดาได้รับการบูชาสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุไณยะบุคคลอาหุไนยะบุคคลคนที่ควรบูชาแต่แปลแแปปลลว่าอาหุไนยะบุคคลแปลว่าบุคคลที่พึงที่ควรบูชาใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ที่บทบทสรรเสริญพระสงค์ใช่ไหมที่ว่าไนโย ที่ว่าพระสงค์เป็นบุคคลที่ควรต้อนรับควรบูชาควรให้ทำทักษิณาทานอย่างนี้นะก็คือหมดเลยในสี่คุณสมบัตินี้ครบอบเลยถ้าในสกุลไหนเนี่ยมารดาบิดาด้รับการบูชาสกุลนั้นชื่อว่ามีปาหุนเนยบุคคลอัญเชลีกันนะบุคคลแล้วก็ถ้าอันนี้คือในยที่หนึ่งนะคือแสดงว่ามารดาบิดาเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ย ที่เท่ากับสงารว่าของพระผู้มีประภาคก็คือมีสี่คุณสมบัติบุคคลที่ควรบูชาบูชาควรต้อนรับครับผมแล้วก็ควรทักิมอบไว้ถึ่งสักสักีนาฐานเพราะฉะนั้นสี่อย่างนี้มีเป็นคุณสมบัติของมาดาบิดาด้วยครับทำให้บางท่านเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เคยเปรียบเทียบไว้ว่าการฆ่าแม่พ่อเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนกับค่าเท่ากับการค่าพระรหันธ์อันันต า, น า, นตาริยกรรมใช่นะทําให้นะบุคคลเนี่ยมีความสับสนไปว่าอ๋อมารดาบิดาเนี่ยคือพระรหันธ์ในบ้านนะแต่อันนั้นไม่ใช่พุทธวจนะแต่โด ย, โยที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยพูดคุณสมบัติเกี่ยวกับพระไว้หลายอย่างนะคือเป็นเอาเนื้อบุคคลเอาเนยบุคคลถ้ากินเนยบุคคลอัญเชรีกับเนืบุคคลนี่คือแม่พ่อนะคือบุคคลที่ถ้าในสกุลไหนเราทําอย่างนั้นแล้วนะ ในสกุลนั้นน่ะชื่อว่ามีบุคคลแบบนี้อยู่บแบบนี้นี่คือแบบที่ควรบูชาควรกราบไหว้ควรต้อนรับควรให้ทานครับอ่าแล้วก็ถ้าค่าเนี่ยก็มีค่าเทียบเท่ากับการฆ่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจะให้คนสับสนว่าเอ๊ะมาดาบิดาเป็นพระอรหันต์ในบ้านนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเปรียบเทียบกับว่าเป็น อ, อ่เป็นผลถูกไหมคว่า พระรหิการกระทําจะมาเทียบเคียงเทียบเคียง ก, กันได้เทียบเคียงกันได้แต่ว่าความแบบพรหรหิเนี่ยมันอยู่ที่กิเลสไงถ้ากิเลสหมดอ่ะคุณเป็นพระหรหิตัณหาหมดอ่ะคุณเป็นพระหรหินะแต่ว่าของมแม่พ่อเนี่ยมนรดาบิดาเนี่ยอาจจะยังไม่หมดนะเพราะนั้นเราต้องต้องพูดคนละเนี่ยอยากให้นั้นพระเจ้าเนี่ยจึงกําหนดบทเป็นชนะเนี่ยฉลาดมากรัดกลุมมากตรงนี้ครับครับทันที่สามนะพระเจ้ายังเคยพูดถึงเรื่องของมารดาบิดาว่าถ้าในสกุล ถ้าเธอเนี่ยนะคนเนี้ยเป็นคนที่มีความสามารถแต่ไม่ยอมเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยชี้ว่าตัวเองเป็นคนถ่อยใช่คาว่าถอยเลยแหละครับไม่ยอมเลี้ยงดูแรงนะครับอ่าี่ยังเบายังเบาครับครับถ้าเลี้ยงเลี้ยงดูไว้แต่ไม่ยอมทำนะเป็นคนถ่อยคนไม่ดีครับอ่ากรณีที่อันนี้คือบอกว่าถ้าไม่มีมีปัญญาเลี้ยงดูแต่ไม่เลี้ยงดูก็คือใช้คาว่าถอยแต่ถ้า ไม่มีปัญญาเลี้ยงดูคือเช่นอตัวเองอาจจะยากจนมากแล้วก็ไม่คือตัวเองก็ยังเอาไม่ค่อยไหวอย่างนี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างนี้แกเข้ากรณีของถ่อยไหมครับดูแลแบบไหนหมอทศพงถ้าคุณบูชามารดาบิดาอา๋อในชกุลคุณชื่อว่ามีเอัญเชิญฤกษอะไรอยเงี้ยบุคคลใช่ไหมถามว่าการดูแลเราก็ดูแลยังไงล่ะใช่ไหมเราก็ดูแลตามที่เราดูแลได้อ่ะถ้า ค, คุณเป็นผู้มีโพคทซัพ์มาก คุณก็ดูแลตามที่คุณดูแลได้ถ้าคุณมีพอกระสับน้อยคุณก็ดูแลตามที่คุณดูแลได้ก็แล้วกันอือย่างพระนะอย่างพระนะหมอนรัตพงษ์ครับมีในสมัยพุทธกาลเน่ะเขาไปบินตบาทมาพระสงฆ์นะไปบินตบาทแล้วเอาอาหารให้มารดาบิดาก่อนมีพระไปโจทย์บอกเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงของสงฆ์เอาไปให้พ่อแม่ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็เรียกมาตรวจสอบว่าทําจริงไหมทําจริงเออแล้วก็ยกย่องสรรเสริญว่า เป็นสิ่งที่ควรทําเพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะกับเรามากจึงบัญญัติวินัยบอกว่าถ้าอาหารมาได้รับการบิณาบัดมาสแสวงอาหารมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะอาหารเนี่ยให้ให้มารดาบิดาก่อนได้ก่อนที่จะถึงสงได้ไม่เป็นอาบัตบขนาดนั้นเลยนะก็ ค, ค, คือหมายความว่าอาหารถ้ามาถึงเราได้อาหารมาถึงเนี่ยคุณจะไปให้นกใ ห, ให้หมาให้หมูให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้นะพระองค์นั้นจะเป็นอาบัต ท, ทันที อาหารที่เรารับมาต้องถึงสงก่อนอย่างน้อยต้องถึงตัวเองก่อนครับแล้วพอเราพอแล้วเราถึงจะให้ลูกศิษย์วัดได้ให้คนหนุ่มคนนี้ได้แต่สําหรับมารดาบิดาให้ก่อนได้เลยออันนี้เป็นการโให้เรียกว่าให้เอเชิดชูความเป็นบิดาบรรดาไว้สูงมากเลยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าอทําไมเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะพูดว่าแหมมารดาบิดานี่อเป็นผู้ให้ชีวิตอะไรต่างๆอย่างเงี้นะครับ คือตรงนี้อาตมามองว่าถ้าสมมุติพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยนะว่าเป็นผู้ให้ชีวิตมีพระคุณมากในลักษณะที่ว่าเป็นผู้ให้ชีวิตเนี่ย ค, <ะ>คำพูดของพระพุทธเจ้าจะสัขัดกันเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นทุกข์เอ้าพ่อแม่ทําให้เราเกิดมางั้นพ่อแม่ก็เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์สิทาให้คนจะงงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกําหนดบทมรรคชนะได้คมมากตรงนี้นะว่ามารดาตัวเราเนี่ยมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด แต่เราก็ไม่ได้เคยพูดถึงอธิบายว่าเนี่ยมีพระคุณมากนะให้เราเกิดมานะเพราะว่าตัวเองไปพูดอีกที่หนึ่งบอกว่านี่ความเกิดเป็นทุกข์นึกออกไหมไปถึงตัวพระบรนะิุทธเจ้า่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์จะบัญญัติเนี่ยจึงพูดถึงข้อควปรปฏิบัติของบุคคลควรทํากับมาดาบิดาไว้โอ้เฮียมากนะเคยเปรียบเทียบเอาไว้ด้วยว่าถ้าเราเอามาดาบิดานะมาแบกไว้บนบ่านะให้ป้อนข้าวป้อนน้ําอาบน้ําถูให้อึจระปัสวะใส่เนย ตลอดจนอายุร้อยปีก็ทดแทนบุญคุณท่านไมด่ห ม, มบนะหรือว่าเราจะสถาปนาท่านเนี่ยให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีทรัพย์สมบัติที่เรียกว่มมมามหาศารับอซึ่งทรัพย์สมบัติ บ, บางอย่างเนี่ยมันหาไม่ได้ในโลกนี้นะอย่างมณีแก้วอย่างเงี้ยเป็นเพชรทรัพย์สินพเพชรดินจินดาที่มากนะคืออย่างพเพชรเนี่ยนะหมอเดชพงศ์เขา เชื่ชูกันว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยด้วยความแข็งของมันใชด้วยความที่มันสะท้อนแสงได้นี่ครับอัญมณีที่เรียกว่าสุดยอดอัญมณีแต่อัมณีแก้วเนี่ยยิ่งกว่าเพชรอีกเพราะว่ามันสามารถส่องแสงได้ในยามค่ําคืนไปได้อีก12โยชธอย่างเงี้ยซึ่งเพชรแบบเนี้มันไม่มีในโลกหาไม่มีไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนในทะเลยังไม่มีคนพบหรือรว่าช้างแก้วม้าแก้วอย่างเงี้ยเป็นช้างและม้าที่เหาะได้เราก็ไม่เคยเห็น ยูนิคอนอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเห็นเป็นแค่สัตว์ในตำนานใช่ครับแต่มีจริงจริงมีจริงๆริเป็นพุทธประณะมีบ่งบอกไว้ซึ่งต่อให้เราไปหามาได้นะแล้วเอามาให้แม่พ่อให้มารดาบิดานะ่เชิดจูท่านเป็นพระเจ้าสกภัทรก็ยังตอบแทนได้ไม่หมดอ่ามันยังได้ไม่หมดครับแลอย่างนี้ควรตอบแทนยังไงครับอ่าควรตอบแทนยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยพูดอย่างอีกทีหนึ่งนะครับผมทีนี้เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า ทำไมมารดาบิดาเนี่ยถึงมีบุญคุณมากก่อนครัเอาง่ายๆนะเอทุกอย่างที่เรามีในโลกนี้นะหมอรัตตมงศ์สมมุติว่าตัวท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเอาดูว่าตัวเองมีทรัพย์สมบัติอะไร้ารถมีไหมบ้านมีไหมเสื้อผ้ามีไหมเงินในกระเป๋ามีไหมแ้วเงินในธนาคารมีไหมหรือว่าใส่เสื้อผ้ามีไหมรองเท้ามีไหมกระเป๋ามีไหมนาฬิกามีไหมโต้มีไหมเครื่องไอเล่นที่ฟังอยู่นี่มันเครื่องอะไรมีไหมพวกเนี้ยมาจาก มาดาบิดาทั้งหมดทำไมถึงมาพูดอย่างนี้อันนี้เป็นอัตถกาษานะแต่จะพูดขยายความให้ฟังครัเพราะมีมาดาบิดาครับเพราะมาดาบิดาเนี่ยเป็นทุกให้ชีวิตไงถูกต้องครับถ้าไม่มีชีวิตนี้พวกนี้เราไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเอาชีวิตไปแล้วเนี่ยเอาชีวิตไปแล้วพวกนี้คือจบหมดอย่างทุกข์ของคนตายหมอรัตพงศ์ครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทุกข์ของคนเป็นนะหมายความว่าทุกข์ของคนตายเนี่ยอย่สมมติอสามีตาย กายามาร่ําควรร้องไห้ลูกมาทุ่มครวรวร้องไห้อย่างเงี้ยความทุกข์ของเมียกับลูกเนี่ยไม่ใช่ความทุกข์ของคนตายแต่เป็นความทุกข์ของคนเป็นแล้ว ค, ความทุกข์ของคนตายมันคืออะไรคือครั บ, ค, รบคืออะไรครับความทุกข์ของคนตายก็คือว่าการที่จะไม่ได้มีความสุขอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปความสุขที่คุณเคยมีมาทั้งหมดเนี่ยจบเลยนะถ้าตายแล้วเนี่ยสมมตไปเคยเที่ยวเขาค้อไปเคยเที่ยวต่างประเทศไปเคยกินอาหารอร่อยๆตายแล้วนะ จ, บจบเลย จบหม ด, หมดทุ ก, ทกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนการในแง่เป็นถ้าเรามากินข้าวอร่อไรคุณไม่มีทางได้กินหรอกถ้าคุณไม่มีมารดาบิดาเพราะชีวิตนี้เราก็จะไม่มีน ะ, ะใช่แล้วโหวแค่บุญคุณแค่นี้นะทดแทนกันไม่หมดตลอดชีวิตเฉพาะในส่วนของการเกิดการเกิดเป็นรูปรูปร่างคนเนี่ยนะครับใช่ <นะ S 1> ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งอย่างการเกิดเป็นรูปร่างคนออกมา พระพุทธเจ right? ้าเคยบอกว่าทุกของคนเกิดเนี่ยนะความเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่ครับเราเคยได้ยินความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยมีคนเคยบอกว่านี่ไงมารดาเนี่ยโอ้โหต้องตั้งท้องปวดท้องอันนี้ไม่ใช่ความทุกข์ของคนเกิดหรอกมันเป็นความทุกข์ของแม่ของแม่ครับอความทุกข์ของคนเกิดคืออะไรความทุกข์ของคนเกิดคือการที่เขาต้องอยู่ในครันต้องอุดอู้อยู่ในครัน มันเป็นที่เล็กๆแคบๆใช่ไหมครับความทุกข์ของคนเกิดอย่างที่สองเนี่ยมันต้องผ่านช่องคลอดออกมาตรงนี้มันปวดเหมือนกันมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วความทุกข์ของคนเกิดทั้งหมดก็คือว่าต้องมาเจอกับความแก่ความตายความไม่พอใจพอใจความเสื่อมจากที่มีอย่างเงี้ยนี่เป็นความทุกข์ของการเกิดทั้งหมดนะเช่นเดียวกันเออเช่นเดียวกันว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็มีความสุขด้วยใช่ไหมครับซึ่งอะไรที่เราเจอทั้งหมดเนี่ย สมมุติว่าเราเจอความทุกข์ใช่ไหมเราเจอความทุกข์อย่างนี้อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอคุณสมบัติของสังสารวัตที่จะทําให้เราเนี่ยต้องเจอความทุกข์มันเป็นแน่นอนคุณเกิดแล้วคุณก็ต้องทุกข์อะครับหนีไม่พ้นต้องรับผลอันนี้แน่ๆแต่ที่นี้ว่าอย่างการที่เราถูกมารดาบิดาบํารุงเลี้ยงมาตอนเด็กๆใครพาคุณไปเที่ยวนะวันมันเด็กวันเด็กแห่งชาติใครพาคุณไปเที่ยวพ่อแม่หรือว่าไปโรงเรียนใครพาคุณไปส่ง ข้าวใครทําให้กินนะถือว่าเอาแค่ไม่ต้องถึงกับว่าสมมุติบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับอยู่กับางพอเกิดมาปุ๊บไปอยู่กับผู้ปกครองคกูหนึ่งเลี้ยงมาดูตัวตลอดเอาแค่ว่าตอนที่เขาอุ้มท้องอ่ะตอนที่มันดาบิดามาคอยอุ้มท้องประกบมงหม่อมโอ้แค่นี้บุญคุณเราก็ตัแทนไม่หมดครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อยู่ณนะขนาดนี้เนี่ยนะเป็นผลพลอยได้มาจากการเกิด ซึ่งก็มีใครอ่ะก็มารดาบิดาเนีาา่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีมานาบิดาเนี่ยไอสิ่งที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ไม่มีทางได้เพราะฉะนั้นมันอมันทดแทนยังไงอ่ะเอาทุกอย่างที่เรามีในชีวิตนี้เอาไปให้ท่านนะก็ยังไม่พอไม่พ อ, อไม่หมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยมาตาอุมาตาปิตาอุปทานังเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่ง การเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลอย่างยิ่งหนึ่งในมงคลสามสิบปดใช่ไหมครับใช่สาสิบสองหรือสามสิบปดก็ไม่รู้ห่อกนะบางคนบอกสาสิบสองบางคนบอกสามสิบแปดแต่ว่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่าควรบูชานะแล้วเรามาดูในเรื่องของทิศทั้งหกทิศทั้งหกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามารดาบิดาหน้าที่ของมารดาบิดาเนี่ยนะคือห้ามเสียจากบาห้ามลูกอ่ะจากบาปแล้วก็ให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีนะเอหมายความเมื่อไรก็คือรู้สึกว่าเราจะเคยพูดไปแล้วห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีครสองอย่างนี้หมอรัตพงศ์สองอย่างนี้นะมีหน้าที่ห้าอย่างใช่ไหมสองอย่างนี้หน้าที่เหมือนพระสงฆ์เลยพระสงฆ์เสี่ยกาก็ควรทําหน้าที่กับคารวาสคือห้ามเสียจากบาปสองให้ตั้งอยู่ในความดีนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าโอ้มาดาบิดานี่ต้องทําหน้าที่เหมือนพระในบ้านเลยนะ ใช่ครับอ๋ออันนี้มีคนเปรียบกันบ่อยนะครับว่ามารดาบิดาคือพระในบ้านอ่าครับก็แล้วทีนี้เราก็เลยมาดูพุทธวจนะไงครับอ๋อธรรมามองแง่มุมนี้คุณหมอฤทธิพงศ์ว่าอย่างคนลาวอ่ะเคยไปประเทศลาวมาก่อนอแล้วก็อชาวลาวเนี่ยเขาเรียกมารดาบิดาเขาเนี่ยด้วยความครุมนอบน้อมมากจริงๆในอย่างเขาคุยกับพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็เรียก อข้าน้อยข้าน้อยอย่าเหมือนว่าอหมายว่าตัวเราแบบเป็นผู้น้อยอย่างเงี้ยผู้น้อยใหญ่เราก็ใช้สรรพนาม ว, ว่าข้าน้อยอย่างเงี้ยนะข้าน้อยอเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวเราเองในฐานะที่ตัวเราต่ํากว่ามากๆอย่างเงี้ยอออืมพูดกับพระก็ใช้ข้าน้อยพูดกับท่อแม่ก็ใช้ข้าน้อยอซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์มาลองเฮ้ยมันดีมากๆมันถูกต้องตามหลักปุตตวจนะนะหมายความว่ไงหมายความว่าเอาขนาดเท่าว่าเราปฏิบัติกับในหลวงยังไงในหลวงภูมิพลเนี่ย พอเราเจอในหลวงคุณทำยังไงกราบกราบเลยเหรอโอ้โหดีมากๆเลยเจอพ่อแม่ก็ควรจะต้องกราบเหมือนกันครับนะทับคุณทำยังไงกับพระสงฆ์เจอว่าหลักราบเอาคุณเจอพ่อแม่ก็ต้องกราบเหมือนกันครนึกออกไหมเพราะในขณะที่เราจะต้องสถาปนาพ่อแม่นี่ยนะขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับเอ้าแล้วเราคุณกราบพระเจ้าจักรพรรดิคุณพูดวาจาอย่างดีกับพระเจ้าจักรพรรดิ คุณพูดวาจาอย่างดีกับพระสงฆ์คุณกลับพระสงฆ์ทำไมคุณจะทำอย่างนี้กับพ่อแม่ไม่ได้ต้องเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากแล้วชีวิตที่เรารเกิดมานี้เนี่ยนะมันก็มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดอ่ะ<ช>แล้วก็จะไม่มีทางโตมาได้ไม่มีวันนี้ไม่มีสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าไม่มีมารดาบิดาดังนั้นท่านเป็นผู้ที่มีบุญกุลมากๆ ม, มากขนาดที่เรียกว่าอุมมากจริงๆอ่ะอย่างที่พุทธเจ้าเปรียบเทียบมาเรียกว่าน้ําในมหาสมุทรอย่างนี้ก็ เปรียบเทียบได้ไหมครับว่าน้าในมหาเหมือนที่เพลงทางโลกเนีครับสม<อ>ุนก็นน ย, ยังไม่พอโดยไม่ว่าจะนัเนี่ยนะก็ร<า>เรื่องน้ำในมาสมุทรนี้จะไม่ได้พูดถึงนะจะ<า>พูดถึงเรื่องของบุญเท่านั้นเองคนที่ทาําบุญไว้เอาแค่ว่าเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วก็แ<า>บกแบกไว้บนบาทตลอดร้อยปีเนี่ยก็ยังทดแทนไม่หมดอืมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทดแทนบิดาบิดาก็แทนบุญคุณท่านเนี่ยนะ มันต้องทดแทนที่เหนือกว่าสิ่งที่เป็นอามิดอ๋อก็คือ อ, อะไรที่เป็นเรื่องของสิ่งของเนี่ยคุณไม่มีทางที่ทจะเอาอะไรที่เป็นสิ่งของเนี่ยไปทดแทนบุญคุณมารดาบิดาได้เลย้ลต่อให้เอาอาหารดีๆเลิศ ร, รู้อร่อยใส่หอแพ็กเกจมาอย่างดีกลับไปถึงบ้านให้ใหแม่กินให้พ่อกินก็ยังไม่พอไม่หมดบูชาท่านด้วยอะไรบูชาท่านด้วยอามิตก็เท่าไหร่ก็ไม่พอ นะต่อให้บูชาด้วยของที่มันไม่มีอยู่ในโลกเลยเอย่างเช่นทรัพย์ทั้งเจ็ดอย่างของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยใช่คับมันก็ยังไม่พอไม่พอไม่พอจริงๆริงครับทำไงถึงจะพอคุณต้องเหนือกว่านั้นนะต้องบูชาสิ่งที่เหนือกว่าอามิตนั่นคือสิ่งที่เป็นนิรามิตนิรามิตรชคือคุณธรรมต่างๆเช่นคุณทำเรื่องศีลเรื่องสัมมาทิฏฐินะถ้าท่านยังไม่มีสัมมาทิฏฐิให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิถ้าท่านยังไม่มีศีลให้ท่านมีศีลถ้าท่านยังไม่มีการปฏิบัติทางจิตอัน ยิ่งขึ้นไปให้ท่านมีอันนี้จะเป็นการบูชาเป็นการตอบแทนที่พอจะพอจะนะหมอหมอรัตวงพอจะเรียกว่าทดแทนกันได้เพราะว่าอันนี้มันคนละระดับกันละอ่คนที่เราทดแทนกันด้วยระดับที่อของที่หาค่าไม่ได้ของที่หาค่าไม่ได้เนี่ยหมอรัตวงมันไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะอย่างสมมติเราประเมินไม่ได้อ่าเราหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยครับคุณบอกว่า หนังสือธรรมะเล่มนี้ราคาเท่าไหร่ครับธรรมาบอกสองล้านอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าคุณคุณนะประโยชน์ที่ถ้าเราบอกว่าเราบอกว่าสองล้านนี่นะเราก็ยังคิดว่ามันน้อยไปอืเราไม่ได้พูดถึงค่าพิมพ์นะเราพูดถึงว่าธรรมะเนี่ยจะทําให้คุณไปสวรรค์ทําให้คุณเป็นคนมีจิตใจดีจิตใจสบายเป็นความสุขที่หาไม่ได้ในโลกอย่างเงี้ยมันหาซื้อไม่ได้เงินเท่าไหร่เอามาให้เนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากันเพราะฉะนั้นทำไงให้ฟรีก็แล้วกัน ให้ฟรีเนี่ยไม่ใช่บอกว่าของมันไม่ดีนะหมายว่ามันหาค่าไม่ได้อ่ะค่านี่ได้มันไม่รู้จะเอากําหนดค่ายังไงดีราคาค่าพิมพ์ของอ่ะว้าวอันนี้มันไม่เข้าใเล็กน้อยมากครับหรือถ้าเราจะกําหนดค่ามากๆไปเลยเนี่ยแม้คุณจะให้ได้ไหมล่ะสองล้านห้าล้านสิบล้านใช่ไหมก็ไม่มีสตังค์ให้อีกอ่เพราะฉนั้นเอาไงดีของหาค่าไม่ได้อย่างนี้เราควรจะให้เปล่าให้ฟรีเลยเพราะว่ามันหาค่าไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าของที่จะเอามากําหนดมูลค่ากันได้ เพราะฉะนั้นกา ร, รเราตอบแทนด้วยเรื่องของศีลด้วยเรื่องของสิ่งที่หาค่าไม่ได้เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์ให้ท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ถ้าท่านไม่มีศีลนะอย่าไปด่านะด่าไม่ใช่หน้าที่เราด่าคุณออกจากมรรคทันตีคุณเสื่อมทันทีครับยิ่งดามานาบิดานี่ไม่ควรทําบาปบาปเรียกว่าบาปเยอะใช่ไหมครับบาปเยอะมันก็ต้องเยอะแน่ล่ะเพราะว่าอะไ ร, รเพราะว่ามานาบิดานี่ผู้มีบุญคุณมากนะเราควรจะบูชาท่านบูชาด้วยการด่าเหรอมอรัตพงศ์มันไม่มี อมาด่ากันเป็นการบูชากันนะไม่ถูกคุณต้องบูชาด้วยทุกสิ่งเลยนะบูชาด้วยอามิตรบูชาด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อามิตรเพราะฉะนั้นการบูชาพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญบางคนเราบอกว่าจะไปสอนพ่อสอนแม่ก็สอนเท่าที่สอนได้ก็แล้วกานนะในเรื่องของที่เป็นสิ่งที่เหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังพูดไม่ดีกับมนาบิดาอยู่อย่าพูดเลยว่าตัวเองปฏิบัติธรรมอย่าพูดเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรู้ธรรมะของพระเจ้า พูดแล้วตัวเองก็เสียเพราะอะไรเพว่าต้องแก้ไขโดยด่วนเลยาเพราะว่าถ้าเรายังเป็นคนไปนั่งสมาธิไปวัดแต่กลับมาถึงบ้านพูดไม่ดีกับพ่อแม่อย่างเงี้ยมันฟังดู<อ>ไม่เข้าท่าควระคจะต้องแก้ไขทําไมจิตคุณบอกว่าจิตเป็นจิตที่ต้องการเอากิเลสออกต้องการเอากิเลสออกทําให้จิตอ่อนโยนขึ้นแต่ว่าทําไมากลับถึงบ้านแล้วเป็นจิตแข็งกระด้างเ ป, าเป็นจิตที่หนาเป็นจิตที่หยาบละ่ะไม่ได้ถ้าเรารู้ธรรมะแล้วลึกซึ้งเข้าไปเนี่ย จิตเราต้องอ่อนโยนนะเราแต่ว่าตั้งมั่นนะเป็นจิต ท, ที่ไม่ไหลไปตามสิ่งต่างๆใครก็จะว่ายังไงไม่เป็นไรพ่อแม่เรายกย่องพ่อแม่เราดีอย่างนี้นะไม่ว่าท่านจะผิดศีลก็ตามเถอดแต่ว่าเราก็ต้องหากุศโลบายในยังไงให้ท่านเนี่ยมีอริยทรัพย์อยู่ในใจให้ได้อย่างเงี้ยอือย่างนี้ถ <ừ> ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยผิดคือทําผิดตามตามพิสัยของปุถุชนเนี่ยเราเราไม่ตําหนิท่านแต่ว่าเราพยายามที่จะโน้มน้าวหรือว่า ชี้ทางที่ถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นความผิดของใครมาลัสพงศ์<อ>ความผิดของกิเลสมัน<อ>บ้ากิเลสนี่ทําให้จิตเราบ้าครับอ่าทําให้จิตเราเป็นเป็นเป็นคนบ้าอย่างที่เคยพูดไปตอนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามารดาบิดายังมีกิเลสอยู่ท่านก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเป็นไปตามอำนาจของดักไซด์ที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทํายังไงดีกว่าให้เอาสิ่งที่เป็นกิเลสออกไป นะคุณธรรมที่ท่านออกแค่ว่ามาดาบิดาเนี่ยตอนตั้งท้องอใช่ไหมเอาแม่เนี่ยนะตั้ทงท้องมาปวดขนาดไหนหมอดนพงศ์รู้ไหมโอ้มันเปรียบเทียบยากมีอามามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่สิงคโปร์เขาเคลอดลูกนะเขาอธิบายให้ฟังบอกว่ามันก็เอามีดเก้านิ้วอะ่ะมีดสปาต้าอย่างนะี้นะเนิ้วเสียบเข้าไปในท้องแล้วก็หมุนขวาสักสามสี่รอบแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนะหมุนซ้ายอีกสักสามสี่รอบแล้วก็ดึงออกมาแทงเข้าไปอเก้าทีมันยังเจ็บไม่เท่าหนึ่งในสิบของความเจ็บเวลาคลอดลูก มันสาหัสกันนะครับเออต่อให้บล็อกหลังเอาต่อให้บล็อกหลังบล็อกอบหลังพอยาบล็อกหายฤทธิ์หมดฤทธิ์นะคุณก็ปวดอยู่ดีอืมันไม่มีทางเลี่ยงใช่ครับอ่ต่อให้คุณผ่าเอาผ่าคุณก็เจ็บอยู่ดีคแบบอ่แต่ว่าความเจ็บตรงนี้นะหมอรัตพงศ์ครับพอลูกออกมาอยู่ในอ้อมอกแล้วนะลูกออกมาอยู่ในอ้อมอกเนี่ยเห็นลูกออกมาแล้วปลอดภัยละมันหายไปฤทธิ์ทิงครับณวินาทีนั้นความเจ็บหายไปเลย ท่นผูังที่เนผู้หญิงอยู่เนี่ยอาจจะทราบนะบางท่านอาจจะทราบว่าเอ้ยจิตแบบนี้มันเป็นยังไงจิตที่เต็มไป ด, ด้วยความรักความเมตตานะมไม่สามารถอธิบายได้เป็นคําพูดออกมาได้โอ้ยคนที่มีจิตแบบนี้มันไม่ธรรมดานะเราควรจะยกย่องอย่างยิ่งเลยคนที่มีจิตแบบว่ามีแต่ความรักความเมตตาพระพุทธเจ้าเคยพูดในในกรรณิยาเมตตาสูตรนะบอกว่ามารดาเนี่ยถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นลูกแม่คลอดลูกออกมาเนี่ยเลือดออกจากอกของตัวเองนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอะไรในอรีย์วินัยนี้เนี่ยมารดานมเนี่ยนมของมารดาเนี่ยคือเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลือดออกจากอกของตัวเองออกมาให้เนี่ยแมาคนที่เป็นลูกออกมาเนี่ยก็รักเหมือนกับเลือดเนื้อของต น, น, นฉันยอมสละชีวิตแทนให้คุณธรรมตรงนี้หาใครทําได้บ้างใช่ครับดีกว<ม>่ามเ้ราะท่านเนี่ยมีพระคุณมาก ควรจะต้องกราบสามครั้งกรากบเช้ากราบเย็นกราบกลางวันด้วยถ้ากราบได้ครับ เ, เราก็ทุกอย่างควรจะต้องหามันสันเสริญหามาปฏิบัติหามาให้ท่านต้องการอะไรจัดให้จัดให้อย่างดี ท, ทุกอย่างครับอืไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราบูชาพ่อแม่แล้วเนี่ยชีวิตเราเป็นมงคลเราร บ, บูชาพ่อแม่แล้วเนี่ยในตระกูลเราเลยมีอัญเชิญีกนิยบุคคลเรารปฏิบัติอย่างดีกับพ่อแม่เนี่ยในสกุลเรามีอาหุนในนิยบุคคล เราเอาทานมาให้พ่อแม่เนี่ยในสกุลเราเนี่ยมีทักกิณียบุคคลปัญหาไม่ได้ง่ายๆมันไม่ได้หาข้างนอกนะมันอยู่ที่บ้านเองแล้วการตอบแทนด้วยสิ่งที่เป็นเหนือขึ้นไปกว่าสิ่งที่เป็นอามิทนี่ยิ่งเป็นสิ่งที่สมควรทำสิ่งการพูดไม่ดีคือเราปฏิบัติยังไงกับพระเจ้าจักรพรรดินี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างนั้นกับมารดาเสมอกันกับพ่อกับมารดาบิดาใช่ครับกลับไปบ้านอุ้มว้ขึ้นไหลเลย อืมแล้วก็ให้ป้อนข้าวป้อนน้ําครับด้วยครับถึกอรือไหมครับคือในความเป็นจริงอาจในในในบทพยัญชนะเมื่อสักครู่อาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าโดยในใจเนี่ยเราก็เชิดชูท่านเหมือนว่า อ, อมีจิตการงานหรือว่ามีอะไรที่จะทําให้ท่านสบายหรือว่าอย่างนี้ยเราก็สมควรที่จะปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องบริบูรณ์นะครับใช่ตลอดไปด้วยครับแล้วถ้าท่านตายไปแล้วนะ ก็ยังควรทำบุญอุทิศให้อีกอออมันเป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วหนึ่งในหกหนึ่งในห้าอย่างในเรื่องอุทิศทั้งหกครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องบรนดาบิดาเนี่ยแม่ธรรมาเออก็คิดว่าพูดต่ไปนะได้เรื่อยๆครั บ, รบทีนี้เอท่านผู้ฟังที่เอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยขอให้เข้าใจก็แล้วกันว่าเราควรจะต้องพูดดีๆกับมัรดาบิดา บ, <Okay. S 1> บันดาบิดาเป็นผู้มีบุญคุณมากอ <Okay. S 1> บุญคุณของท่านไม่สามารถตอบแทนได้ง่ายๆคุณที่ <Okay. S 1> มีบุญคุณอย่างนี้ถ้าเราไปทําไม่ดีกับท่านเนี่ยมันก็เป็นการไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรดีๆเราก็หามาทําให้ท่านก็แล้วกัน <Okay. S 1> ท่านอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องของ <Okay. S 1> สังสารวัตรเป็นเรื่องของกิเลสที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราหาวิธีแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ที่กิเลสแก้ที่คุณธรรมในใจนะทํายังไงให้ท่านมีคุณธรรมที่สูงยิ่งๆขึ้นไปเราก็ค่อยหาวิธีการไปก็แล้วกันอย่างนะ อย่างวิธีการในเชิงปฏิบัติอย่างเช่น อ, า, อาจจะถ้าท่านไม่มีศรัทธาในในพระธรรมอย่างนี้ยก็อาจจะหาอุบายได้นะครับว่าเออเราอยากให้ท่านไปเป็นเพื่อนไปวัดอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ<ม>หรือว่าเออหาเทปหาสื่อซีดีต่างๆหรือหนังสือน้อมนําให้ท่านเข้าสู่ธรรมะอย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีนะคเป็นสิ่งที่ทำได้ทำทุกทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางทำทุก วิถีทางที่จะคิดได้ทําทุกแบบทําทุกรูปแบบไม่ได้บนโต๊ะเอาใต้โต๊ะทําังไนให้แม่พ่อเนี่ยมีคุณธรรมพวกอริยทรัพย์ให้ได้ครับครับก็าจะไม่เอาด้วยเลขเอาด้วยกรนเอาครับอนนี้เลยครับเหมือนในทางปฏิบัติครับท่านมีมีอันนึงว่าคือมรรดาบิดามักมักจะมองลูกว่าเป็นเด็กอยู่เสมอบางทีลูกก็อายุ4ี่ห้าิแล้วก็ยังมองว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กลูกพูดอะไรเนี่ยจะแบบเหมือนก็ต้องไม่ค่อยมีน้ำหนัก จะต้อป็นย่างนั้นสิถามว่าน้ำหนักในเรื่องนี้คืออะไรคือหมายความว่าถ้าลูกเป็นคนที่มีศีลมีอริยทรัพย์นะคุณเป็นคนมีศีลคุณเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่ขั้นครามถูกต้องครับอเพราะฉะนั้นคุณทําตัวยังไงล่ะคุณทําตัวยังไงก่อนคุณทําตัวเป็นคนมีคุณธรรมเป่าดีหรือเปล่าเออมีคุณธรรมเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าเป็นลูกที่ดํารงวงศุลไหมเป็นลูกเป็นลูกที่เรียกว่าทําตัวให้พ่อแม่ภูมิใจหรือเปล่า อถ้าตัวเองเป็นอย่างนั้นอค่อยมาคุยครัอาตมานะถ้าไม่ได้มาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้านะเราจะไม่ทราบว่าพ่อแม่เรามีบุญคุณมากขนาดนี้มากล้นเหลือเลยแล้วเราก็ะะจะไม่ทราบว่าการตอบแทนบุญคุณที่ถูกต้องของของอให้กับพ่อแม่เนี่ยควรจะทําอย่างไรเราก็ะะาจะไปตามโลกนะเขาไปตามสิ่งที่อไปครอบครัวเราไปอะไรเราซึ่งมันมันไม่ใช่อออืเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําเนี่ยคือเรามี พ่อแม่เราก็ควรบูชาท่านอย่างที่ได้พูดไปเนาะครั บ, รบ ม, มุมมุมตรงนี้มีมีผมนึกถึงวิถีวัฒนธรรมของตะวันตกกับตะวันออกคือวิถีอย่างไทยไทยเนี่ยหรือคนจีนเนี่ยจะเชิดชูมารดาบิดามากแม้ตั้งแต่มีท่านอยู่หรือว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่วัฒนธรรมทางตะวันตกเนี่ยจะค่อนข้างปล่อยประละเลยกับพ่อแม่อย่างเนี้ยท่านท่านเห็นตรงนี้ไหครับ วิถีที่มันแตกต่างกันตรงนี้นะครับก็พระพุทธเจาก็สอนไว้ในลักษณะที่ว่าให้ดูแลมนาบิดายแล้วล่ะครับครับแสดงว่าวิถีของตอนตกก็ยังไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือหมายความว่าในทางตะวันตกเขาก็ยังมีครอบครัวที่ดูแลพ่อแม่อยู่นะครับก็มีเราก็ยังเห็นอยู่อาจจะเป็นส่วนน้อยบ้างก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ยังมีเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นคุณธรรมที่ควรทํำ คชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นได้น้อยเราก็ยังมีบุคคลที่เราบูชาอคเพราะฉะนั้นในวันนี้เรื่องของมารดาบิดาก็คิดว่าอมีแค่นี้คในตอนต่อไปคิดว่าจ ะ, อะเอาเรื่องเนี้ยมาทําเป็นอตอนตามใจฉันดูนะจะค่อยติดตามฟังตอนต่อไปแต่ว่าในวันนี้เรายังมีคําถามที่ค้างคากันอยู่รัฐพงศ์มีมีครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณกระหนุกรักนะครับก็ คำถามของคุณขออนุญาตอ่านเลยนะครับก็บอกว่า<ช>คือท่านคุณ ก, กระหนอล่ะเนี่ยนึกถึงพระสูตรอันหนึ่งที่พระอาจารย์เคยนํามาอ่านในการหลีกเล้นนะครับ<ช>บอกว่า<ช>พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับนายแพทย์ใหญ่ที่วินิจฉัยโรครักษาคนป่วยใช่ใชแล้วคุณ ก, กระหนอล่ะบอกว่าต่อจากเนี้ย ท่านจำไม่ได้อ๋อก็เลยเห็นงั้นจากที่ใบพระสูตรนี้ให้ฟังครับแล้วก็ก็คือว่าอันนี้สืบเนื่องจากคาถามเมื่อตอนที่แล้วที่คุณหลวงรัฐานถึงเรื่องว่าอทําไมคนป่วยถึงคนป่วยอาการทางจิตต่างๆเนี้ยมาปฏิบัติธรรมไม่ได้นะครับซึ่งในพระสูตรนี้ที่พระเจ้าพูดถึงนี่คือคนที่ถูกลูกสอนด้วยยาพิษถูกยิงมาคนนี้เนี่ยพอถูกยิงมาป่วยมาเนี่ย ลูกศรเนี่ยก็คือตันหายาพิษเนี่ยก็คืออาวิชาโันมีพิษของมันคืออวบิชาพามาหาหมอหมอเนี่ยก็เลยเอามีดผ่าตัดชำระปากเปิดปากแผลออกแล้วก็ใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะตรวจรหาหัวลูกศรเอาหัวลูกศร อ, ออกประกอบยาถ่ายพิษออกววบเรียบร้อยนะครับผเรีชา้ายกเปรียบเทียบพระสูตรนี้เนี่ยหมายถึงว่า ตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยคือหมอผ่าตัดอาวุธมีดที่ใช้กรีดแผลเพื่อเปิดปากแผลออกหาเปิดปากแผลออกเนี่ยคือปัญญาสอน grab อ๋อปัญญาครับเครื่องเอ็กซเรย์ที่ไว้ใช้หาหัวลูกศรเนี่คือสติอืมสติเพราะฉะนั้นให้เราก็ทราบอุปมาอุปไมยอย่างนี้ว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ในการหาลูกศรมีดตรงนี้ก็คือปัญญาอย่างนี้นะครับต่อต่อข้อถามนิดนึง สมัยพุทธกาลเนี่ยท่านท่านพูดถึงเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยแหละครับเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยี <n ology> ตรงนั้นออยังไม่มีพระพุทธเจ้าใช้บทเพลงชนะอย่างนี้นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยโดยท่านพุทธทาสก็แปลว่าเครื่องตรวจหาลูกศสอาเครื่องตรวจหาลูกสอนบทบบทเพลงชนะตรงนี้บอกว่าก็ใช้มีดนะมีดเปิดปากแผล แล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรพบลูกศรก็ถอนลูกศรออกแล้วแล้วก็ทําประกอบยาถ่ายโทษของแผลแล้วก็เย็บปากแผลปิดปากแผลอย่างนี้ผู้นั้นก็ปลอดภัยอย่างนี้นะเราก็หมือว่าเปรียบเทียบบทบทเพลงนะให้ให้เข้าใจกันได้ขึ้นนะครับเปรียบเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นเรื่องบทแพชนะเนี่ยจริง ถูกแล้วดีมากนะที่ที่เราต้องกลับไปที่บทเพลงชนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการกําหนดบทเพลงชนะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะกำหนดบทเพลงชนะให้ให้ถูกก็แล้วกันครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนป่วยเนี่ยคนที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็เป็นคนป่วยทุกคนนั่นแหละนะมากน้อยเท่านั้นเองป่วยทางจิตอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อาการหิวนะมันกระหายอยู่ตลอดเวลานะเอาอะไรมาก็ไม่อิ่มอย่างเงี้ยนี่คือเป็นโลภะ าอาการแบ บ, ร, บร้อนนะใครทําอะไรก็ร้อนพูดยังไงก็ร้อนนี่ก็เป็นโทส ะ, ทสะอ่าแล้วก็อาการที่มืดจิตมืดนี่ก็เป็นโมหะอย่างนี้อืไอโลภะโทสะโมหะนี่มีลําดับไหมครับว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดตามมาอะไรเกิดท้ายอย่างนี้มีมีไหมครับในพุทธวจานะนะครับไม่มีนะเวลาพระพุทธเจ้าตรัสนี่ก็ตรัสไปพร้อมๆกันอ๋อ มีมีทางทางเหมือนเคยได้ยินมาว่าบอกว่าโมหะเนี่ยมันลึกที่สุดเหมือนว่าเป็นอะไรที่แหมแบบแก้ยากที่สุดโหอันนั้นมีอยู่มีไหมครับท่านขอโทษมากคลายช้าอ๋อครับแล้วก็โทสะนี่ก็โทษมากคลายเร็วอแล้วก็โลภะนี่ก็โทษน้อยคลายช้าอ๋ออะไรเงี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทวนนิดนึงคือตัวโมโมหะโมหะนี่โทษมาก แล้วก็คลายช้าด้วยโอ้โหแต่ว่าไล่ที่สุดนะครับขอโทสะโทสะความโกรนนี่เหมือนโทษมากแต่คลายเร็วเหมือนดาบแล้หายละโอ้โหใช่ใระเบิดตุ้มแล้วก็หายไปนะครับสำนึกผิดทันทีใช่ดาลูกไปแล้วนะครับอ๋อแล้วก็โลภะนี่โลภะนี่ก็โทษน้อยน้อยแล้วก็คลายเร็วอ๋อโทษน้อยคลายเร็ว โอเคจ้ะโทษครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของพิธีธรรมะครับ팟การ์ด เ, เ, เปิดตามที่สกผิดภาพออนไลน์เราจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหมอรัตพงศ์โอเคงั้นก็คงหมดหมดเนื้อหาเท่านี้นะครับคําถามก็เรียบร้อยครับครับตอนนี้ก็งั้นก็กลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าคับครับสัปดาห์หน้านี่คิดว่าจะเอาธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมาเปิดเผยให้ฟัง การปฏิบัติหลีกเล่นเลยใช่ไหมครับใช่ใมีแง่มุมหลายอย่างที่สมาคิดว่าควรจะนํามาตีแผ่เรื่องของสภาวะจิตต่างๆที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้นะอ๋อดีครับใช่แล้วไงเรากลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าครับติดตามกันต่อไปครับก็ขอกราบนมำพสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบรู์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหสโกจังหวัดอุดรธานีครับสาธุครับครับขอกลับลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ